ग व ा सावत्यं विहरति जेतवनी अनाथ प िं द ि क स आरामी अथखो अन्यतरा ก็ข อ, อขอโมทนานะ ในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นลักษณะการให้ทานถ้าหนึ่งใช้คาว่าฉนันคำสอนว่าถ้าผูกพันด้วยตัณหาสันนิเขปัคโขก็ได้แก่ว่าตังกรรมมังเขปัตวาก็แบบเปตตวาก็ได้แก่ให้ผลของกรรมนั้นกรรมนั้นสิ้นสิ้นสิ้นกรรมนะ ทกรรมนั้นหมดก็คือเจตนากรรมที่เป็นเหตุเหตุนำปฏิสนธิมันหมดเพราะหมดกําลังลงก็แปลว่าปฏิสนธิมันพวังก็หมดกําลังใช่ไหมครัพอผวังหมดกําลังก็จุตินี่ก็สิ้นกรรมซึ่งกรรมก็คือผลของกรรมมันหมดกําลังใช่ไหมบอกว่ากรรมบอกพอแล้วข้าพเจ้ามีเวลามีกําลังส่งท่านแค่นี้อะตกได้แล้วก็ตกหมดกําลังใช่ไหมใช่ไหม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 นะไม่มีใครมากำหนดให้เราเลยฉะนั้นตัจวจเจตนากรรมทั้งหลายที่เราฝังไว้ในศาสนาของพระเชนฐาเจ้าที่ประเสริฐเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญ อ, อันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะ ก, ก็ตั้งอัธยาสายให้ถูกใช่ไหมว่าฉะนั้นถ้าเรามองนี่เราจะสังเกตจิตได้ว่าจิตมีราคาไหมให้ทานเนี่ยหรือให้ทานแบบจิตปราศจากราคานี่จิตานุปัสสนาเขา